เสียงอ่านหนังสือจิตตะภาวนามหัศจั์ลมหายใจพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปรวมธรรมเทศนาเพื่อการทำสมาธิวิปัสนาเป็นหนังสือแนะนำที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งนะครับประกอบด้วยเนื้อหารวม5ตอนหลักคือ 1. จิตตะภาวนา 2. เทคนิคการปฏิบัติภาวนา 3. มหาศจั์ลมหายใจ 4. หลวงพ่อตอบคาถาม และ 5. เจริญสติการรู้ธรรมะท่องพระไตรปิฎกได้ครบแต่ถ้าไม่ปฏิบัติจนเห็นสภาวะธรรมเห็นไตรลักษณ์ของจิตได้จริงการรู้นั้นก็เปล่าประโยชน์เป็นเพียงทัพผีที่ไม่เคยรู้รสแกงจึงควรเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตของตอนนะครับพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปเป็นพระปฏิบัติเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเช่นกันท่านทุดงในป่าเขาไปทั่วทุกภาคจนได้พบและอยู่ปรนิบัติรับคำแนะนําจากพระอาจารย์องค์สําคัญหลายท่านเช่นหลวงปู่เทศเทสะรังสีหลวงปู่ตื้ออาจลธรรมโมหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอาจารย์จวนกุลเชษโถหลวงปู่ขาวอนารโยพระอาจารย์วันอุตโมเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นพระปฏิบัติพระกรรมฐานที่นักภาวนายอมรับนับถือได้อย่างสนิทใจนะครับ ความรู้ที่ได้จากหลากหลายครูบาอาจารย์นั้นเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่มหาศาลและหลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์มากในการนํามาเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนาชนในเวลาต่อมาคําอธิบายธรรมของท่านนั้นเข้าใจง่ายเรียบสั้นกระชับนํามาซึ่งความสุขสงบทางใจและเพื่อทําลายกิเลสอย่างแท้จริงจึงนับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยในรุ่นนี้นะครับที่ได้มีโอกาสได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาทิศนาธรรมของท่านที่เหมือนท่านย่อยง่ายให้แล้ว เป็นการรวบรวมเรียบเรียงมาให้พวกเราได้รับรถพระธรรมได้โดยไม่ยากนักพระอาจารย์เปลี่ยนท่านละสังคารไปตั้งแต่15กุมภาพันธ์พุทธศักรา25 61, ช2561สิริอายุ85ปีจึงขอทุกท่านร่วมศึกษาเผยแผ่ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมเป็นกุศลถวายแด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระสุปฏิปันโนพระดีพระแท้ร่วมกันนะครับต้นฉบับหนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม เสียงอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีจัดทําโดยเจ้าภาพหลักชนลดาโรมเดชไพบู์ร่วมจัดทําโดยครอบครัวอธิสกุลพิสมัยขจรดตร็ตรวดีวีปรากสิษฐ์บัวสถชัยเมืองวิชัยยาดามุงวิชาร่วมกับอีกหลายท่านฟังรายชื่อได้จากตอนต้นของแต่ละตอนหลักและท้ายเรื่องนะครับและขออนุมโมทนากับผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่านด้วยสัพพะธนังธรรมทธนังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสิ่งอันหนังสือโดยโจโฉและชมรมผ่ดีทั้งหมดเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดณบัดนี้ให้พากันตั้งใจฟังการฝึกอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญ พวกเรานั้นก็เป็นนักสแสวงบุญเพื่อสร้างสมอบรมบารมีเป็นกุศลเพื่อให้เกิดขึ้นในตนในเบื้องต้นคนทําทานทํากุศลก็เป็นบุญชนิดหนึ่งรักษาศีลก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ ก, ก็เป็นบุญชนิดหนึ่งใช้สติปัญญาขัดกลากิเลสเพื่อให้หมดจักดวงใจก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนใฝ่ฝันหาการนั่งเจริญเมตตาภาวนานี้ให้พวกเราทำการปลดปล่อยอดีตเรื่องราวที่เป็นอดีตทุกอย่างต้องวางละทิ้งไปให้หมดสิ่งที่เป็นอนาคตก็ดีก็ไม่ให้คํานึงถึงเพราะว่าสิ่งนั้นยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งนั้นเรามาพากันพินิษ์พิจารณา ดูจิตใจของตอนเองในปัจจุบันธรรมคำว่าปัจจุบันนาธมโมธรรมะทั้งหลายพิจารณาในการปัจจุบันเมื่อพวกเราได้ลาจากเคหสถานบ้านช่องมาแล้วไม่ต้องกังวลกับอะไรในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าเนกขมมะออกจากความยุ่งเหยิงความขัดข้องความกังวลมาแล้วก็ต้องออกมาเลยไม่ต้องไปกังวลถึง เมื่อทุกคนมีความคิดเห็นเช่นนั้นแล้วก็ควรทำตนให้เหมือนอยู่คนเดียวเรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนอยู่คนเดียวอย่าไปคิดว่าคนอื่นมานั่งกับเราการเสียสละละความกังวลออกจากบุคคลอื่นแม้จะเป็นเพื่อนฝูงก็ดีพ่อแม่ก็ดีลูกหลานญาติวงตระกูลทั้งหลายก็ตามเราควรตัดออกไปเหมือนกันเมื่อเราตัดออกไป ละออกไปแล้วเราก็เหมือนอยู่คนเดียวเมื่อเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มาดูจิตใจของพวกเราให้มีสติความระลึกได้สัมปัตชัญญะความรู้ตัวจิตคือความคิดให้รู้ว่าจิตของตนเองคิดอยู่ที่ไหนในปัจจุบันคิดอยู่กับตัวกับตนไหมบัดนี้เราจึงมาตั้งข้อธรรมกรรมฐานเอาไว้ จะเอาลมหายใจเข้าออกก็พุโทโธอาณาปานสติกรรมฐานแล้วว่าลมหายใจเข้าออกถ้าหากไม่มีข้อธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับถ้าหากไม่มีข้อธรรมกรรมฐานในจิตของตนเองยึดเหนี่ยวอยู่จิตก็ย่อมล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ให้มีข้อธรรมกรรมฐาน เพื่อให้จิตใจยึดเหนี่ยวอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเกาะ อ, อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานจิตนั้นจึงจะมีที่อยู่ที่พักที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้เป็นอารมณ์ตั้งอยู่จิตใจของคนเรานี้แม้จะฝึกยากเพียงไรก็ตามก็สามารถที่จะฝึกได้เราทั้งหลายไม่ต้องท้อถอยไม่ต้องอ่อนแอท้อแท้ การฝึกฝนอบรมจิตใจต้องทำจริงก็จะเห็นของจริงทำเล่นก็ไม่เห็นของจริงไม่เห็นความสงบ ก, การที่เราเสียสละไม่ยุ่งเหยิงกับอะไรนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการปฏิบัติเราควรที่จะนำจิตของพวกเรานั้นเข้ามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานด้วยกันทุกคนให้จิตของเรานิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้าหากเราจะเอาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธอย่างนั้นก็ได้ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนเอาไว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นเองเอาอะไรมาดูเอาจิตที่คิดนั่นเองมาดูดูลมหายใจเข้าออกให้เราหายใจให้สบายสบายหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจให้โล่งโลง นั่งให้สบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดารงสติให้มั่นแล้วหลับตาพินิจพิจารณานานจิตของตนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกอย่าให้จิตของเราไปที่ไหนถ้าจิตของเราฉลับออกไปภายนอกเราควรที่จะนําจิตคืนมาไว้กับลมหายใจเข้าออก อยู่ที่ปลายจมูกของเรานี้ที่ลมสัมผัสเข้าออกเราก็ค่อยทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นอย่าไปบังคับจิตของตนเองเกินไปอยากให้มันอยู่เร็วเกินไปจิตมันจะยิ่งดิ้นรนกระเสือกกระสนยิ่งจะฟุง้งซ่านเหตุฉะนั้นบุคคลที่มีความฉลาดในการทำสมาธิก็ยอมใช้สติสัมปชัญญะของตนนั้น ตามดูจิตของตนถ้าจิตออกไปก็ดึงจิตคืนมาคิดอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานทำบ่อยๆอย่างนี้พอเคยชินแล้วจิตก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกได้หายใจเข้ายาวให้รู้หายใจออกยาวให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ ให้รู้อยู่ที่ลมไม่ให้รู้ที่อื่นแม้หากเรายังไม่เห็นลมสัมผัสก็ตามแต่มันก็ต้องมีอยู่ดีลมหายใจเข้าออกเราก็ควรเอาจิตของเรามาคิดดูต้องดูลมอยู่แต่หายใจให้สบายๆเมื่อเราอยากสบายเราต้องทําตนเองให้สบายทีนี้ถ้าร่างกายของเราเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้บ้าง เราก็อย่าไปสนใจเรื่องความเจ็บปวดมาสนใจเอาจิตของเราไว้กับข้อธรรมกรรมฐานดีกว่าเพราะการปวดแข้งปวดขานั้นมันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเจ็บหลังเจ็บบั้นเอวก็ดีหรือร้อนหรือหนาวไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราก็อย่าไปกังวลกับสิ่งที่เจ็บปวดนั้นเวทนานั้นวางไว้ต่างหากรู้เฉย ถ้าหากเรามีจิตใจกล้าหาญอย่างนี้ก็จะสามารถฝึกจิตใจของเราได้ง่ายเราควรที่จะพิจารณาดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็นั่งมาตั้งแต่บวชจนถึงเท่าถึงแก่ไม่เห็นขาท่านขาดไปไหนบั้นเอลท่านขาดไปไหนไม่เห็นท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากมายบางท่านบางองค์ยังเดินได้ถึง 80-90 ปีท่านก็บำเพ็ญมาแล้วเราก็ควรที่จะนึกถึงท่านอย่างนั้น ท่านก็ยังทำได้แล้วพวกเราจะไปอ่อนแอท้อแท้ทำไมทำจิตใจของเราให้แช่มชื่นขึ้นมาระลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นนั้นท่านทำได้ไม่เห็นท่านเป็นอะไรหนักหนาเราก็พากันทำภาวนาจริงจังบ้างสิจะพากันไปกลัวอะไรมากนะักเราต้องอดทนต่อสู้เอานะจิตใจของเราจึงจะมีโอกาสสงบเป็นสมาธิ เราคิดเห็นเช่นนี้เองเราก็ควรจะนําจิตของตนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานถ้าเราละออกมาแล้วเราไม่มีความกังวลกายวิเวกแล้วไม่ต้องทํางานอะไรจิตตาวิเวกเราจะฝึกจิตของเราให้สงบเป็นจิตตาวิเวกอยู่เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของตนจะปฏิบัติถ้ายังกําลังฝึกหัดอยู่นี้ ของเรานั้นมีความกังวลกามฉันธานิวร อ, อย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้ามันอยากเพลิดเพลินท่านก็ให้เพ่งอสุภะกรรมฐานกามมันเป็นของที่หลอกลวงเฉยเฉยอย่าไปยุ่งกันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็วางได้ถ้ามีพยาบาทนิวรเกิดขึ้นมีความอิจฉาพยาบาทคนอื่นเวลานั่งอยู่เราก็ควรที่จะรู้ ตั้งใจแผ่เมตตาว่าไปพยาบาทอาฆาตจองเวรเขาทำไมเขาก็อยากอยู่สบายเราก็อยากอยู่สบายมันจะหายจากพยาบาทนิวรทถ้าถีนมิถานิวรการง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะมาง่วงเหงาหานอนเหมือนอย่างตนเองนี่เหรอเรานอนมานานแล้ว เราควรที่จะปลุกจิตใจให้ชื่นระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานว่าเราจะทําความดีทําความสงบเมื่อแช่มชื่นขึ้นมาแล้วเราก็ละนิวรณ์ทำข้อนี้ได้ถ้าอุทธจักกุกุจจะนิวรณ์มันเกิดขึ้นมาจิตใจฟุ้งซ่านรําคาญคุมไม่อยู่ คิดเฉลับไปโน่นไปนี่ระลึกถึงมรณานุสติกรรมฐานระลึกถึงความตายสกัดกั้นจิตฟุ้งซ่านเอาไว้ถ้าจิตใจของเราคิดอยู่คิดไปโน่นไปนี่อยู่เราก็ควรจะพิจารณาว่าจะคิดไปไหนคิดไปไหนก็ตายเรียกว่าระลึกถึงความตายเป็นเครื่องสกัดกั้นการจิตฟุง้งซ่าน เมื่อมันเห็นแล้วว่าไปที่ไหนมันก็ต้องตายเหมือนกันจิตจะหดหูขึ้นมาจะกลับมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานอย่างเดิมนี่คือผู้ฝึกง่ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยวิจิกิจฉานิวรเนี่ยเช่นเวลานั่งเข้าไปสงสัยว่ามันจะสงบหรือมันจะมีความสุขหรือ จะเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อไหนจึงจะถูกกับจริตของตนเราอย่าไปกังวลอย่างนั้นเราควรที่จะละวิจิกิจชาของเราออกไปซะตั้งใจว่าเราจะเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อเดียวเอาลมหายใจเข้าออกเราก็ดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ต้องเอากรรมฐานข้ออื่นตั้งจิตตั้งใจบําเพ็นตามข้อธรรมกรรมฐานข้อนี้ องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นยอดของกฎแห่งกรรมฐานทั้งหลายอาณาปนสติกรรมฐานนี้ถ้าเราฝึกทาลมของเราให้ผ่อนคลายเบาลงไปเรื่อยๆหายใจเบาๆสบายๆใช้สติสัมปชัญญะดูจิตของเราเอาจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐาน หายใจให้สบายๆลงไปนิวรธรรมทั้งหลายนั้นเราระงับไปแล้วเราปล่อยวางตามที่เราหาวิธีละไปแล้วเราก็มาหายใจให้สบายๆเมื่อเราหายใจสบายเบาลงไปเรื่อยๆเราก็มาดูจิตของเราว่าอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกไหมถ้าจิตของเรารู้อยู่ว่า ลมหายใจเข้าออกมีอยู่สักพักหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าจิตเป็นคณิกะสมาธิสงบเพียงนิดๆหน่อยๆเฉียดๆเท่านั้นแล้วจิตก็จะถอนจากกรรมฐานไปถ้าเราพิจารณาไปประคองจิตของตนอยู่เดี๋ยวลมหายใจเข้าออกละเอียดเบาลงเดี๋ยวลมหายใจเข้าออกเหมือนหมดไปเหมือนไม่มีลมหายใจเข้าออกเราอย่าไปกลัวตาย เพราะจิตและลมหายใจของเราละเอียดสุขุมเฉยๆแต่มันหายใจอยู่แต่มันมองไม่เห็นเพราะลมหายใจเข้าออกเบามากเมื่อมันมองไม่เห็นลมหายใจเข้าออกตรงนี้แหละเราจะเห็นร่างกายของเราเบาสบายใจก็เบาขึ้นมาสบายขึ้นมาบ้างใจก็สงบขึ้นเราก็จะเห็นชัดเจนว่าในระหว่างนี้จิตใจของเราสงบ แต่ยังไม่สงบมากเมื่อเราไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วเราควรที่จะรู้ว่าใจสงบใจสบายใจเบาเอามาตั้งไว้ตรงท้องน้อยตรงหน้าอกตรงไหนมันสบายกว่ากันเอาอะไรมาตั้งไว้เอาความสบายตัวเบาเบาสบายมีความสุขนิดหน่อยตัวนั้นแหละเป็นตัวจิตเพราะว่ามันสุขมันเบา แล้วก็มาตั้งไว้ตรงไหนบางคนชำนาญเอาความรู้สึกนั้นมาตั้งไว้ที่หน้าท้องน้อยหรือที่ตรงหน้าอกก็ตั้งที่หน้าอกให้ความรู้สึกนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะประคองจิตเอาไว้ตรงนั้นแหละไม่ให้จิตมันไปที่ไหนจิตก็จะสงบลึกลงไปนานเราไม่ได้สนใจเรื่องลมเลยเราดูแต่จิตใจของเรา กายของเราก็จะเบาสบายไปเรื่อยๆจนจะเหมือนไม่มีกายเกิดขึ้นเบามากตรงนี้จะมีปีติเกิดขึ้นขนลุกขนพองนั่นก็ปีติชนิดหนึ่งทำไมจึงมีปีติเราเห็นความเบาความสบายความสุขเกิดขึ้นนั่นเองจึงมีปีติบางคนนั้นเย็นปลาบเข้าไปในหัวใจ บางคนก็น้าตาไหลบางคนก็กายเบาเหมือนจะลอยไปบนฟ้าอากาศบางคนก็ตัวใหญ่เหมือนจะเต็มห้องทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นปีติทั้งนั้นแต่ก็จะไม่เกิดกับพวกเราหมดทุกอย่างเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ละบุคคลเมื่อปีติสงบระงับไปใจก็มีความสุขรู้อยู่ว่าจิตของเราสงบอยู่ เราก็ประคองไว้ที่เดิมจิตสงบอยู่ว่างสบายมีความสุขเราประคองจิตให้สงบอยู่นั่นแหละถ้ามันเกิดแสงสว่างขึ้นมาเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีขาวก็ดีมันเกิดสับสนกันอยู่นะเราอย่าเพิ่งไปดูแสงเรามาดูที่จิตใจของเราอยู่ในอารมณ์อะไรระยะนั้นแสงมันจึงเกิดขึ้น ถ้าหากเรารู้จักอารมณ์นี้กำลังถึงอารมณ์นี้สเสวยอารมณ์นี้อยู่แสงสว่างก็เกิดขึ้นเราต้องประคองจิตของเราอยู่ในอารมณ์นั้นให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นมาจ้าชัดเจนแสงสว่างที่เกิดขึ้นจะเห็นภาพต่างๆหรือเห็นนิมิตต่างต่างเกิดขึ้นตรงนี้มันตื่นเต้นเราไม่อยากให้ไปยุ่งเหยิงไปเกี่ยวข้องกับแสงสว่าง แต่ว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่เคยเห็นมันก็ตื่นเต้นอยากดูพอเราอยากดูแสงเท่านั้นแหละแสงนั้นก็จะดับไปเพราะจิตของเราถอนออกจากข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้แสงสว่างก็ต้องดับไปมันจึงเกิดเกิดดับดับพอมาตั้งหลักพิจารณาดูจิตให้สงบอยู่แสงสว่างก็เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ เราจะเห็นถูกต้องชัดเจนเพียงใดก็ตามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในแสงนั้นเราภาวนาอย่าอยากอย่าพากันอยากเห็นนรกสวรรค์เห็นเบอร์เห็นหวยเห็นโน่นเห็นนี่อย่าไปคิดคิดแล้วมันก็ไม่เห็นเพราะถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเห็นเองเพราะมันเกิดจากความสงบ แสงสว่างทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากความนึกคิดเอาเองแต่เกิดจากจิตใจสงบแสงสว่างมันจึงเกิดขึ้นนี่พูดถึงบุคคลที่จะมีแสงสว่างบางคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างจิตใจสงบนิ่งสบายเบาสบายเดี๋ยวก็มีปีติเดี๋ยวก็สุขสลับกันอยู่เราก็ไม่ต้องคิดอยากเห็นอะไรนะ จิตใจของเราสงบอยู่มีแต่ประคองจิตใจของตนเองให้อยู่นิ่งสงบ น, น, นานๆที่สงบอยู่ขั้นกลางเรียกว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นนั่งได้แล้วยีสถึงสานาทีจึงถอยออกจากสมาธิถ้าถอยออกเราก็พยายามที่จะประคองจิตใจของเราไม่ให้ถอยออกประคองเอาไว้ให้อยู่อารมณ์นั้นเพราะมันอยู่นานมันก็สงบลึกลงไป สงบลึกลงไปอีกภาคหนึ่งมันจะได้ยินเสียงอย่างละเอียดคนพูดเรื่องของเราอยู่ที่ไหนรู้เข้าใจฟังเหมือนเสียงโทรศัพท์อันนั้นเราก็ไม่อยากให้สนใจว่ามันอยู่ในความสงบขั้นไหนเราไม่ต้องไปหลงอยู่นั่นเราควรที่จะพากันประคับประคองจิตใจของตนนั้นให้สงบอยู่ในสถานที่ตนเองตั้งเอาเข้าไว้แต่นี้จิตใจสงบมากขึ้น บางคนเหมือนตกลงไปในเหวบางคนก็วูบลงไปเหมือนมันวูบลงไปเช่นนี้เองสงบลงไปลึกร่างกายก็ว่างเหมือนไม่มีกายไม่มีหน้ามีตาไม่มีแขนไม่มีขาระยะนี้เราอย่าลืมตาดูอย่าไปลืมตาดูเราควรที่จะดูจิตของเราว่ามันสงบอยู่ในอารมณ์อะไร มันจึงว่างเหมือนอย่างร่างกายไม่มีสักชิ้นส่วนเรียกว่ากายเบาเบากายแล้วก็เบาจิตจิตสงบเป็นสมาธินิ่งอยู่ในความสุขและความเบาเบาตรงนี้สงบตรงนี้เองมันจึงสงบนานไม่มีปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีหิวไม่มีกระหายไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ อยากอยู่สุขสบายนี่ว่ากําลังมีความสุขความสงบจิตสงบถึงอัปปนาสมาธิแนบแน่นมั่นคงไม่งอนแงนคลอนแคลนนิ่งรู้อยู่สงบอยู่แม้จะมีเสียงแวววๆก็ตามแต่มันดังนิดนิดแววววแต่มันก็ปล่อยวางมารู้แต่จิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิอยู่ถ้าหากมันว่างไปหมด เราไม่เห็นอะไรเลยจิตก็ไม่เห็นมีแต่ความว่างอยู่นั่งโดอยู่เฉยๆไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจิตยอยู่ที่ไหนอันนั้นเป็นอัปปนาชาญชานนั้นต้องปล่อยให้ว่างเพ่งแต่ความว่างอยู่ชาญแปลว่าเพ่งถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมันรู้อยู่ว่าจิตของตนเองสงบอยู่ที่ไหนในข้อนี้แหละ ถ้าหากเราเห็นว่าร่างกายก็ไม่มีมันก็นั่งได้ทนมันไม่เจ็บปวดที่ไหนแล้วเพราะมันวางมันไม่ยึดร่างกายมันมายึดแต่ความสงบสุขจิตก็ยอมสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่การปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้พวกปฏิบัติง่ายการทำสมาธิ เราควรที่จะรู้ว่าจิตของเราสงบนิ่งอยู่เหมือนอยู่คนเดียวเดี๋ยวมีปีติเดี๋ยวมีความสุขหมดปีติมีแต่ความสุขกับความว่างดูร่างกายก็ไม่มีอยู่สุขสบายอยู่อย่างนั้นนี่รู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่กับความสุขการทำสมาธิเป็นระดับระดับมาแต่เบื้องต้นจะเป็นเช่นนี้ แต่บางคนนั้นไม่สามารถจะควบคุมดูแลจิตใจของตนให้สงบระ ง, งับเป็นสมาธิได้อย่างนี้มีแต่จิตฟุ้งซ่านวิ่งไปนั่นไปนี่ฉลับไปนั่นไปนี่ไม่อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานบุคคลชนิดนี้ต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิคำว่าปัญญาอบรมสมาธิคือว่าเราต้องฝึกสติสัมปชัญญะของเรานั้นติดตามดูจิตใจ ไม่ให้จิตของเราคิดไปโน่นไปนี่มันไม่สงบตามไปมันคิดไปไหนตามไปช่วยกันไปจับมันคืนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานจิตมันคิดไปคิดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ตามไปอีกมันต้องมีที่เกาะของมันมันต้องมีที่ยึดมีที่ห่วงที่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถ้ามันยึดบ้านยึดช่องยึดรถยึดเรือยึดคนหรือมันยึดอะไรไว้อยู่มันไม่สงบฟุ้งซ่านไปเราจะได้ไล่จิตตามจิตของเราไม่ให้มันไปคิดอะไรมันจะได้ซักไซต์ไต่ถามจิตดูว่าอันเนี้ยเป็นของเธอหรือสติปัญญาเขาถามจิตถ้าจิตมันตอบว่าเป็นของเขาสติปัญญาก็ถามจิตอีกทีว่าถ้าเธอตายไปเนี่ย จิตจะเอาไปด้วยได้ไหมติดรถติดบ้านติดคนก็เหมือนกันเราจะเอาคนนั้นไปด้วยกับเราได้ไหมเมื่อเราตายมันเอาไปไม่ได้ถ้าจิตของเรามันมองอยู่เฉยเฉยเราก็ดึงจิตมาหาข้อธรรมกรรมฐานถ้ามันไม่ยอมมายังจะคิดปรุงแต่งอีกไปยึดอยู่กับคนอยู่กับของเหล่านั้น ซักไซต์ไต่ถามมันอยู่เมื่อเราตายเราเอาไปด้วยได้ไหมสิ่งของทั้งหลายในโลกนี้วัตถุเราหามาไว้ที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างหรือคนก็ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเพื่อนฝูงเมื่อเราตายเราเอาไปด้วยได้ไหมลองถามจิตดูถ้าจิตมันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้ถ้าเอาไปด้วยไม่ได้ มาคิดทำไมเราจะให้จิตสงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานให้มีความสุขเราอยากให้สงบมายุ่งทำไมเพราะทำสมาธิเราจะไม่ยุ่งกับใครเราจะอยู่คนเดียวเรียกว่าสแสวงหาจิตหาความสงบนี่คือการปฏิบัติภาวนาเมื่อมันยังไม่สงบเราไม่ต้องวุ่นวาย เราก็ค่อยๆใช้สติปัญญาประครับประคองจิตใจของตนเมื่อมันเอาอะไรไปไม่ได้มันก็หยุดนิ่งสงบคืนมาหาความสงบได้ละได้นี่คนจิตฟุ้งซ่านรานําคาญมันไม่สงบเราอย่าไปวุ่นวายกับข้อธรรมกรรมฐานเราดูแต่จิตใจของเราว่ามันเสวยอารมณ์สงบอยู่นี่วิธีแก้ไขจิตใจของบุคคลที่ฝึกยาก อีกวิธีหนึ่งเราทำเหมือนอยู่คนเดียวแล้วเราก็นั่งอยู่คนเดียวเราไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับงานอะไรแล้วอยู่คนเดียวเราก็ฝึกจิตของเราฝึกฝนอบรมจิตใจเขาเรียกว่าทํางานภายในเพื่อที่จะให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิถ้าจิตของเราสงบนิ่งรู้อยู่ว่ามันนิ่งจะเห็นความสุขชัดเจน มีสมบัติทั้งหลายมากมายมันก็ไม่สุขเท่าความสงบเรียกว่านิรามิตร ส, สุขไม่อิงอามิตรพราเขาสละทั้งคนทั้งสมบัติออกหมดแล้วไม่ยุ่งอะไรใจก็เลยมารับความสงบที่ไม่ยุ่งอะไรใจมันเบาเรียกว่ากายเบาจิตก็เบาไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีกังวลจิตก็เลยรู้อยู่ว่าตนเองนิ่งสงบอยู่ เป็นอปปนาสมาธิแนบแน่นมั่นคงถ้าทุกคนปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ควรที่จะเข้าใจว่าจิตของเรานั้นได้รับอารมณ์อะไรอยู่ในปัจจุบันจำไว้ให้แม่นยำประคองจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นแหละให้สงบนานๆนนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้รู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่เห็นแต่ความสุข เห็นแต่ความว่างกับความสุขเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องทำบ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่นั่งทำสมาธิเรานั่งอย่างไรเราบริกรรมอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นนิวรณธรรมข้อไหนเราแก้ได้ด้วยวิธีไหนเราต้องจำไว้ให้ดีจิตใจของเราสงบไปถึงขั้นนั้นมีอารมณ์อย่างนั้น สงบลงไปถึงอุปจารสมาธินานเท่านั้นจิตใจอยู่ในอารมอย่างนั้นเวลามีแสงสว่างก็รู้ว่ามีอารมอย่างนั้นจึงมีแสงสว่างพอเราเห็นแสงสว่างแล้วจิตใจสงบลงไปแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ในความสงบอย่างนั้นเมื่อวางอารมณ์นี้จิตสงบลงไปถึงอัปปนาสมาธิ ร่างกายของเรามันว่างอย่างนี้ไม่มีที่เจ็บปวดที่ไหนลานั่งได้หลายชั่วโมงไม่เป็นอะไรเราควรจำไว้ให้ดีว่าเราวางจิตแบบนี้จิตใจสงบลงไปแบบนี้เป็นขั้นตอนอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้มีความเบาอย่างนี้จิตสงบนิ่งรู้อยู่อย่างนี้จำไว้ให้ดี เมื่อเราจำไว้ให้ดีอย่างนี้เราทำทุกวันทุกวันทำบ่อยๆให้จิตใจของเราสงบมาถึงสภาพนี้เรียกว่าจบสมถกรรมฐานการฝึกอบรมจิตใจเราต้องทำทุกวันทุกวันให้จิตสงบทุกวันทุกวันเป็นวสีเรียกว่าทำบ่อยๆให้จิตสงบบ่อยๆ นี่พูดถึงคนที่ฝึกง่ายจะเป็นอย่างนี้จิตจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้ได้ง่ายพวกเราทั้งหลายอยากให้ตนเองมีความสุขก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามทำวันไหนก็เริ่มต้นอย่างเดิมวางจิตอย่างเดิมจิตใจก็สงบอย่างเดิมให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนให้มันสงบแนบแน่นก่อนจนเราชินในการเข้าการออกสมาธิ จนชำนาญแล้วจบสมถะกรรมฐานแล้วจิตนิ่งสงบรู้อยู่ว่าจิตสงบนิ่งอยู่ตลอดไม่ยุ่งกับอะไรแล้วต่อไปเราจึงจะได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานเป็นด้านลำเลียงด้วยปัญญาโดยเฉพาะเพื่อหาวิธีละกิเลสต่อไปนั่นวิธีการทำสมาธิเหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้ว การฝึกทำสมาธิวันนี้ก็ขอให้พากันตั้งใจให้ไปเริ่มต้นใช้สติปัญญาของตนประคับประคองจิตใจของตนไม่ให้มันหนีจากข้อธรรมกรรมฐานค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิตใจก็จะสงบจนไปถึงขั้นต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วนั้นเราจึงพากันเข้าวิปัสสนากรรมฐานลำเลียงด้วยปัญญาต่อไป ในวันนี้จะแนะนำสั่งสอนให้เพียงเริ่มต้นทำสมาธิจนถึงจิตใจสงบระ ง, งับเป็นอัปปนาสมาธิอย่างแนบแน่นมั่นคงเพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ใช้สติสัมปชัญญะดูจิตของตนจนถึงเวลาได้ยินเสียงสัญญาณจึงคลายออกจากความสงบ วิธีการออกจากสมาธิเมื่อเรานั่งทำสมาธิสงบอยู่นานตามสมควรแก่เวลาแล้วก่อนเราจะถอนออกจากความสงบจากสมาธินั้นเราควรพากันค่อยๆนึกดูลมหายใจเข้าออกค่อยๆหายใจเบาๆสักก่อนเมื่อพอมองเห็นลมหายใจเข้าออกบ้างแล้วเราจึงจะได้หายใจตามปกติ แล้วจึงค่อยๆเอามือขวาออกมาวางบนเข่าขวาแล้วก็เอามือซ้ายออกมาวางบนเข่าซ้ายแล้วจึงลืมตาทั้งสองตามปกติหายใจสบายเป็นปกติตามเดิมนี่เป็นวิธีการออกจากสมาธิแบบเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตามลำดับให้สุขสบายเมื่อออกจากความสงบแล้วเราจะลุกออกจากที่นั่งทาสมาธิ ไปนั่งพักสบายๆ ส, สงบอยู่ที่อื่นๆทบทวนดูความสงบที่ตนเองทาได้นั้นอีกทีก็ยิ่งดีมากว่าเราทำภาวนามาแต่ต้นนั้นเป็นอย่างไรจึงได้รับความสงบอย่างนี้จิตใจของเราจะมีแต่ความสงบสุขอยู่เรื่อยๆตลอดไปฉะนั้นจึงขอเตือนว่าการจะถอนจิตใจออกจากความสงบเป็นสมาธิดีแล้วนั้น ทุกครั้งควรปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นการดีส่วนมากแล้วคณะสัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังเริ่มฝึกทาสมาธิตามขั้นตอนที่ตนเองทำได้นั้นเวลาออกจากสมาธิก็ถอนจิตออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวเลยเรียกว่าการออกจากสมาธิที่ขาดสติสัมปชัญญะเป็นการออกจากสมาธิที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง จะทำให้เราไม่ชำนาญในการเข้าออกสมาธิหากเมื่อเคยทำสมาธิได้แล้วสมาธิก็จะเสื่อมไปได้ง่ายไม่หนักแน่นมั่นคงต่อไปจึงควรพากันทำความเข้าใจให้ดีในเรื่องนี้